บุกทูหกสิบห้าชีสต์อปีปดการปฏิเสธสองเนกิรันเยดว่าแหวนวงนี้แพงไหมคะ สกับลียประเตสกับเลียปรนนตไม่ค่ะแหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยูโรเนโดยชินิสัมม์สตอเอฟราเ่ดินัมม์สตอเอฟแต่ดฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะ no, น о ย่าสิมัมสามุปี็คุณเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องฟลิซิเวกี้กไม่ยังไม่เสร็จค่ะเน่เซื่ออุสแตเน่ о ุ е มเน่เแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ Но в е д н а ช ке บ и д а м г о ต о ว а คุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะซ а ก s <S าชิยูชเตซุป а ซ а กาชิยูชเตซุป а ไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วคะ่ะเนเนสักขมปูเวกี้เนเนสักขมปูเวกแต่ขอไอศครีมอีกถ้วยคะ่ะ Но сакам อุ่ е ๆหนึ่งสลัดโดเดคุณอยู่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะจ долго โอด е ดจีเวิ้ง долго овде? ไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียว што т ส к у ุ д ุ н เ е с е ц ตตูมี nee, แต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้วคุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะไม่ค่ะ จะไปตอนเสาร์อาทิตย์เน่ดูริซาวเอนดดเน่ดูริซาวิเนด์ดแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะโนเซวราคมเววเนเดลาโนเซวราคมเววเนเดลาลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะ ดายทวายตาคิร์ก้าเอเวกีวุ้งรสนะไม่ใช่ค่ะลูกที่ฉันเพิ่งอายุสิบเจ็ดปีเน่ต่สตุตุสดุนาเน่แต่ตุกุสุแต่เธอมีแฟนแล้วนะนตมเด็ก